รั้นแล้วอภิวาสนั่งณที่สมควรท่านพระอานนท์ชี้แจงพระเมเหสีให้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้าแกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาลำดับนั้นพระเมเหสีของพระเจ้าอุเทน ผู้ซึ่งท่านพระอานต์ชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้ า, ลาปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีระถาแล้วได้ถวายผ้าห่มห้าร้อยผืนชื่นชมอนุโมทนาพาสิทธิ์ของท่านพระอานต์ลุกจากอาสนะอภิวาสแล้วทำประทักษิณกลับไป เข้าไปเฝ้าพระเจ้าอุเทนณที่ประทับ พ, พระเจ้าอุเทนทอดพระเนตรเห็นพระนางเสด็จมาแต่ไกลครั้นแล้วได้ตรัสถามพระมเหสีดังนี้ว่าเธอเยี่ยมพระกุณเจ้าพระอานน์แล้วหรือพระนางกราบทูลว่าขอเดชะเยี่ยมแล้ว พระเจ้าอุเทนประถามว่าเธอถวายอะไรแก่สมณะอานนท์บ้างพระนางกราบทูลว่าขอเดชะพวกหม่อมฉันถวายผ้าห่มห้าร้อยผืนแกพระคุณเจ้าพระอานนท์พระเจ้าอุเทนทรงตำหนิพระนามพนทนาว่าชไหนสมณะอานนท์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 ตรัสถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอนนท์ไม่เหตสีของข้าพเจ้ามาแล้วหรือท่านพระอนนท์ถวายพระพรว่าพระไมเหสีของพระองค์มาแล้วมหาบพิษพระเจ้าอุเทนตรัสถามว่าพระนางได้ถวายอะไรแก่ท่านอนนท์บ้างท่านพระอนนท์ ถวายพระพรว่ามหาบ่อพิษพระนางถวายผ้าห่มอาตมาห้าร้อยผืนพระเจ้าอุเทนตรัสถามว่าท่านอาน o ์ผ้ามากมายอย่างนั้นท่านจะเอาไปทาอะไรท่านพระอาน non นถวายพระพรว่ามหาบ่อพิษอาตมา จะแจกภิกษุทั้งหลายผู้มีจีวรเก่าพระเจ้าอุเทนประถามว่าท่านอาน o ์ท่านจะเอาจีวรเก่าที่มีอยู่เดิมไปทำอะไรท่านพระอานอน o ์ถวายพระพรว่ามหาบา่อพิษอาตมาจะทำจีวรเก่าที่มีอยู่เดิมนั้นให้เป็นผ้าเพดาน พระเจ้าอุเทนตรัสถามว่าท่านอานนท่านจะเอาผ้าเพดานเก่าไปทําอะไรท่านพระอานนท์ถวายพระพรณ์ว่ามหาบ่อพิษอาตมาจะทําผ้าเพดานเก่านั้นให้เป็นผ้าปลอกฟูกพระเจ้าอุเทนตรัสถามว่าท่านอานนท์ ท่านจะเอาผ้าปลอกฟูกเก่าไปทําอะไรท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่ามหาบ่อพิษอาตมาจะทําผ้าปลอกฟูกเก่านั้นให้เป็นผ้าปูพื้นพระเจ้าอุเทนตรัสถามว่าท่านอานนท์ท่านจะเอาผ้าปูพื้นเก่าไปทําอะไรท่านพระอานนท์ ถวายพระพรว่ามหาบ่อพิษอาตมาจะทําผ้าปูพื้นเก่าให้เป็นผ้าเช็ดเท้าพระเจ้าอุเทนประถามว่าท่านอาน o ์ท่านจะเอาผ้าเช็ดเท้าเก่าไปทําอะไรท่านพระอาน o ์ถวายพระพรว่ามหาบ่อพิษอาตมา จะเอาผ้าเช็ดเท้าเก่าไปเช็ดทุลีพระเจ้าอุเทนตระถามว่าท่านอานน n ท่านจะเอาผ้าเช็ดทุลีเก่าไปทำอะไรท่านพระอานน n เถาวายพระพรว่ามหาบ่อพิษอาตมาจะโคลงผ้าเหล่านั้นขยากับโคลนแล้วฉาบทาฝา ลำดับนั้นพระเจ้าอุเทนทรงดำริว่าพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรทั้งหมดนี้นำผ้าไปใช้คุ้มค่าไม่ใช่เก็บเข้าคลังจึงได้ถวายผ้าอีกจำนวนห้าร้อยผืนแก่ท่านพระอานนอันหนึ่งเวลานั้นบริขารคือจีวอนหนึ่งพันผืน เกิดขึ้นแก่ท่านพระอานนท์เป็นครั้งแรก